สวัสดีครับท่านรู้ฟังทุกท่กทานก็รู้สึกยินดีนะที่วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมของกรมควบคุมโรคประทรวงสาธารณสุขมันเป็นงานระดับชาติงานงานแห่งชาติ เร่องานการป้อง ก, กันควบคุมโรคแห่งชาติแม้ทลงเนี่ยท้ายเรื่องแห่งชาติเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยอันที่จริงนี่มันน่าจะมีงานอีกงานเลยงานแห่งชาติต้องกันระยะเนี่ยเหมาะมากเลยมันเป็นช่วงของ ฤดูการน้าท่วมแห่งชาติก็รู้ดีเนี่ยฤดูการน้าท่วมแห่งชาติเขาได้จากสัมมนาทางวิชาการเรื่องการป้องกันควบคุมน้าท่วมแห่งชาติมาอันนี้จริงเนี่ยการป้องกันและควบคุมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ก่อน ทุกอย่างแหละที่ผ่านมาในชีวิตเราหรือเป็นสิ่งที่เคยเป็นอดีตไปแล้วถ้าเรานำเอาปัญหามาป้องกันและควบคุมเนี่ยบางทีมันก็ไม่เกิดปัญหาบางทีมันก็คุมได้เอาอยู่พอาเราป้องกันมันเรียบร้อยแล้วแต่วันข้างเรา ป้องกันแล้วควบคุมแล้วบางทีมันก็เกิดปัญหาเหมือนกันปัญหาอาจจะแล้วกะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันรุนแรงมากเราแม่สามารถจะป้องกันและควบคุมได้ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนแก้ไขหรือแก้ปัญหาอีกขั้นตอนหนึ่งแต่มันก็ยัง ยังแก้ไขได้ง่ายกว่าที่เราไม่ได้ป้องกันและไม่ได้ควบคุมการแก้ไขมันเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งบางครั้งก็ต้องแก้ไขถ้าควบคุมไว้ไม่ไหวถ้าถึงตอนแก้ไขแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเรายังหมดโอกาสการแก้ไขเนี่ยบางทีมันเป็นโอกาสอย่างดี วิธีต่ตางๆเนี่ยมันมีโอกาสตอนที่ได้แก้ไขแต่ไม่ได้แก้ตัวแก้กายให้มันดีถ้าเป็นการแก้ตัวเนี่ยแก้ตัวเพื่อจะหลุดลอดออกจากความผิดอนะ่ะไม่มีใครแก้ตัวว่าเราผิดไปแล้วขาต้องตีบะามีแต่ ว, ว่ามันไม่น่าเลยนะคนนู้นไม่น่าทำสิ่งเช่อแก้ให้ตัวถูกนะ การแก้ไขเนี่ยมันทำให้เกิดประสบการณ์ชีวิตเคยสังเกตไหมมันเกิดประสบการณ์เกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชานาญเกิดความรู้จากการที่แก้ไขนะอย่างคุณหมอเนี่ยจะรักษาโรคได้ดีรักษาโรคได้เก่งเนี่ยก็เพราะต้ามีประสบการณ์ในการแก้ไขจากคนไขน้นย คนไข้เนะี่ยคือครูของคุณหมอขอบคุณคนไข้ที่ให้ความรู้คุณหมอได้มีความเชี่ยวชาญได้มีความจำัจหมอมือนหนึ่งเบอร์หนึ่งเนี่ยก็เลยรู้จากคนไข้ที่อาการสาหัสทางนั้นแหละแล้วก็มากมายด้วยถ้าเขาไม่ทอแต่ที่จะแก้ไขตรงนี้ผมยังก็เหมือนกันนะเนีย ใครจะรู้ได้ว่าสภาพอย่างเนี้ยไปประเทศอินเดียได้นะ <c oughs> ถ้าผมถึงอินเดียแล้วก็โอ้โหแบบพลงานที่ผ่านยากเวลาไปก็ดีกลับมาก็จะป่วย <c oughs> ใครเคยเป็นไหมก็มีคนบอกผมเหมือนกันนะว่าสภาพอย่างเงี้ยอย่าไปเลนเดียกลับมาป่วยแน่ๆไอเราก็คนดื้อนะ ดื้กับตัวเองนะนี่เด็กดื้อกับตัวเองใช่ถึงไม่ไปเราก็ป่วดอยู่แล้วเราก็ไม่ปกติแล้วร่างกายมีโรคภัยเกิเจ็บรุมแ้ามากมาเี่ย <c oughs> แต่อย่างเนี่ยเป็นโรคที่เรื้อรังทั้งนั้นเลย <c oughs> เริ่มจากพอพิการเรือร <c oughs> เเร้อรังกลับปัสสา เ, สเรื้อรังเนตาเสพเรื้อรังรำไส้อาเจ็บเรื้อรัง ถ้าพูดมาก็มันก็จะหมดนะหมดชั่วโมงอะไอ้ความเรื้อลังที่ผมมันมีมากแต่มีอยู่สิ่เดียวที่มันไม่เรื้อรังนะไอ้ความทุกข์ไม่เรื้อรังนะมันเอาอยู่มันมันคุมมันสู้มันลดได้เนี่ยกับความทุกข์ทำไมเราจะไปอินเดียแบบกลับมาไม่ป่วยบ้างมันจะไม่ได้ยังไงมันก็ท้าทายตัวเอง ก็เตรียมบอกกับทีมงานบอกคุณเอ๋บอกญาติธรรมที่ไปด้วยกันเนี่ยว่าเรามีจุดอ่อนอะไรแต่เราต้องไปเจอกับอะไรสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงที่เดียให้เราเตรียมป้องกันและควบคุมเอาไว้ <c oughs> วเราเตรียมพร้อมเลยเมื่อเวลาไปแล้วเนี่ยถ้ามันแก้ไขไม่ได้ก็ต้องยอมรับบ่โอ เรามา่นหวจริงๆไม่ไหวจริงๆกลับ่าต้องป่วยเราเตรียมป้องกันไว้ก่อนเตรียมความพร้อไมไว้ก่อนอินเดียต้องเจ็ดวัน <Yeah. S 1> กลับมาถึงนี่มีคนถามมา <laughs> ประทับใจอินเดียในในประเทศประทับใจอะไรในประเทศอินเดียมผมก็บอกเขาว่าไม่ประทับใจสักอย่าง นอกจากกลับมาแล้วไม่ป่วยเลี่ย <c oughs> มันสนุกทุกวันทินเดียตื่นเช้ามาก็จับโปกเองวันนี้จะไปสนุกที่ไหน <c oughs> ไปแบบความสนุกไปแบบความสุขไม่ได้ไปแบบกังวล น, นะว่าวันนี้จะเป็นอะไรบ้างเราจะลำบาอย่างไรไม่เคยคิดคิดว่าเราจะไปสนุกกับอะไรบ้างที่ไหนบ้าง <c oughs> มันจะไปสนุกยังไงไปลงสนามบินที่อินเดียก็ แทนนี้ก็จะมีอะไรนะที่มันมารอารับเป็นเป็นบันไดเปนสายพานแล้วก็ว่ามีแต่บันไดแล้วก็มีแขกสีห้าคนหามเราลงมาโอ้นี่มาตรฐานมากเราไปแบบ ก, การบินไทยนะแต่ถูกหามเรานะพอเราออกมาตรงหวัวบันไดเปะก็มีแขกมันยืนรอแล้วนะแขกชาวอินเดียนะแล้วก็เออดีนะมันทา้ทาทายตื่นเต้นดีเอ้าแขกมายกยกโอ้แขกยกได้ดีกว่าบันไดที่มัน โดนพาลงไปน <g> ะ <ül> เราควบคุมป้องกันไว้ก่อนกลับมาอะไรนี่เกิดปัญหาเพราะนั้นการป้องกันมันดีวกว่าการแก้ไขแต่ถึงขราวแก้ไขมันก็มีประโยชน์ได้ประสบการ์ได้ความรู้จากการแก้ไขของเราแต่วันนี้เขาให้ทีมงานทีมงานนะชื่อว่าละคุ้ม สู้รถพิชิตโรคภัยสังคมไทยสุขภาพดาีก็คงเน้นในเรื่องด้านร่างกายเนาะเรื่องจิตใจไม่ค่อยจะกลุมสู้ลดกันเท่าไหร่แล้วดูดิสังคมไทยในยสุขภาพกายดีเยอะเลยนะแต่ไปดูสุขภาพจิตดิ โ อ, อ้ในในเด่ในพุกในเรือนจาร์ในโอหแข็งแน่นขึ้นเลยนะกล้ามใหญ่มีมังกรสัก ร, รอบพันตัวเจ็ดรอบบางคนสักเสือเพนมัเนเพนไม่พ้นคุกอนะ่ะเป็นก็ไปติดคุกก็มีนั่นแหะรูปร่างแข็งแน่นขึ้นเลยนะแต่ใจนี่มีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความทุกข์มีแเรื่องอดีตเผาร้อนจิตใจมันเป็นกรรมขเขา้ากินถ้าหละเป็นกรรมลิขิตเข่งเข้าเลย เป็นกรรมดิจิตเขาไม่ได้ป้องกันไปก่อนแล้วเวลาไปแก้ไขแก้ไขในคุกแต่ก็ดีนะมันมีโอกาสแก้ไขได้นานดี <c oughs> เป็นโอกาสดีของคนติดอยู่ในเรือนจำที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองเป็นน้ำดีที่ออกมาสู่ลำน้ำารรมยาแบบบริสุทธิ์ไม่ต้องสกปรกอบออกมาก็ได้นะนี่หมายนั่นคือกรรมดิขิตชีวิตเขา นี่นะถ้าปล่อยธรรมะลิกิตนะเขาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเนี่ยพอกรรมลิกิตเนี่ยมันก็เลยตกไปเ ใ, ในบ่วงแห่งกรรมอย่างนั้นแหละ ถ, ถ้าธรรมะลิขิตเนี่ยโอ้ธรรมะในลิกิตกรรมธรรมะลิขิตกรรมอีกทีนึงให้อยู่เหนือกรรมไม่พ้นกรรมนะไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปกลับไปเวียนว่ายตายเกิดเวียนเข้าวีนออกอยู่ในเรือนจาําอยู่นั่นแหละเนี่ ย, ยปล่อยให้กรรมลิกิตโดยเขาไม่ได้คิดเลยว่าเขาทําอะไร ถ้าทำธุรกิจเนี่ยเขาจะมีสติมีปัญญาไม่พาการพาใจเข้าไปติดคุกหรอกเนี่ยมันเนี่ยคุมสู้ลดพิชิตโลกภัยสังคมไทยสุขภ า, ภาพดีแต่ผมเนี่ยถ้าดูทางด้านร่างกายแล้วก็มันมองตรงไหนก็ไม่ค่อยดีอ่ะโซมแฮกแบบนี้นะเนี่ยมาเลยพูดเรื่องร่างกายไม่ค่อยจะ มั่นใจแต่ก็แต่ก็ยืนยาวนานนะอยู่มาตั้งามสิบกว่าปีแล้ว <c oughs> มันอยู่มาได้ไงสาิบกว่าปีเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเราป้องกันแล้วควบคุมอารมณ์ที่จิตใจ <c oughs> เรื่องของจิตใจมันต้องมาก่อนนะ <c oughs> <c oughs> มันต้องมาก่อนร่างกายเพราะว่าแม้แต่การให้ความรู้ ให้ประสบ ก, การณ์ต่างๆเนี่ยก็ให้ทางด้านจิตใจทั้งนั้นแหละต้องเริ่มต้นที่ใจก่อนเอาใจไปศึกษาวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติแล้วก็ถึงจะเริ่มว่าเราจะป้องกันและควบคุมโรคภัยได้อย่างไรนะเริ่มความรู้จากด้านจิตใจแล้วก็พาร่างกายไปทำหน้าที่เนีย โรคกาตที่รุนแรงแต่ถ้าใจยังไม่สงบไม่ปกติเนี่ยมันก็มันก็ทุกข์ะโรคก็หายช้าไอ้ที่ป่วยก็หนัก <c oughs> <c oughs> มันพอนกันกขึ้นมนมันพลันภายไปเลยถ้าใจิตใจดีเนี่ยมันมีกำลังใจที่จะรักษาโรคทั้งนั้นร่างกายใจต้องมาก แล้ตอนที่ใจนีมีทนผู้ฝนี้อนของจะได้ยินพุทธภาสิบบทแรกเปในคาถาธรรมบทที่ทั้งกล่าวไว้ว่าสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำเร็จแล้วที่ใจ ถ้าใจดีแล้วกรรมทั้งหลายการกระทำหรือการพูดก็ดีไปด้วยแต่วันนี้เขาพูดเป็นการเป็นเล่นๆว่ากระบีอยู่ที่ใจ <c oughs> กกได้ยินไหมกระบีอยู่ที่ใจนั้นใจนี่สำคัญมากจิตเป็นนายกลายเป็นเบาเห็นไห พรนะรูปเจ้าท่านให้ความสําคัญกับจิตใจมากกว่าร่างกายหลักคำคําสอนส่วนมากเน้นที่จิตใจพุ่งตรงไปที่จิตใจทางนั้นเลยนะนะเพื่อเอาใจเนี่ยไปสอนกายไปสอนวาจาถ้าใจดีแล้วกายวาจามันก็ดีนะถ้าใจดีแล้วสุขภาพร่างกายมันก็พลอยดี เขาว่าดีเนี่ยไม่ใช่ว่าดีเลิศขนาดที่ว่าเป็นปกติคนแก่แกใจดีก็ดีแบบคนแก่แกคนผิวการใจดีก็ดีแบบคนพิการนะมันก็ดีก็แลอย่างคนละสถานการณ์ว่าดีแบบพอเพียงเนี่ยวันนี้ก็เลยจะเริ่มพูดเรื่องจิตใจซึ่ง มีในผู้ฟังทุกๆคนไหนใครไม่มีใจบ้างเรายกมือสิจะได้หนีไหนใครมีใจอ๋อไหนใครไม่รู้ว่าใจอยู่ที่ไหนไหนใครไม่แน่ใจว่าเรามีใจหรือเปล่าไหนใครไม่ยกมือเนี่ย พูดเรื่องใจนิดหนึ่งเพื่อจะมีประโยชน์จิตกับใจเนี่ยมันเป็นความหมายเดียวกันใจนี่มันเป็นกลางกลางเป็นภาษาสมมุติถ้าจิตเนี่ยมันเป็นภาษาภาษาธรรมะภาษาแขงก็เป็นความหมายเดียวกันดูนะว่าที่ผมพูดเนี่ยใครไม่มีมากจิตเนี่ยมันทาหน้าที่สี่อย่าง ไปตอบเปียนโจกกันไนดะ้บทําที่สี่อย่างนะอย่างแรกก็คือจิตแรกคือรับความรู้สึกรู้สึกสุขรู้สึกทุกรู้สึกเฉยๆไหนใครไม่มีสามอย่างนี้บ้างมีแต่เ ง, ง้นเลยนะพาทีเราก็สุก บางทีเราก็ทุบบางทีเราก็เฉยๆปกตินิ่งๆ ก, กลางๆอันนี้คืออันแรกอันที่สองก็คือจิตมีหน้าที่อะไรหน้าที่จำํจำจําได้แล้วว่าคนนี้ชื่ออะไรจําได้แล้วว่าภาษาอังกฤษคํานี้อ่านว่าอย่างไรเห็นไหม จำได้แล้วว่าเราลืมกระเป๋าตังค์แว่นตานาฬิกาไว้ตรงไหน oh. เราจำได้แล้วเนี่ยจิตเนี้ยที่แบบนี้เลยนะเรื่องการจำได้หมายรู้เขาเรียกเป็นภาษาทเนี้ยสัญญาสัญญ า, ญญา mm. และกลุ่มที่สามเนี่ยที่สามเนี่ยคือจิตมันมีเนื้อที่คิดคิดนึกนใครไม่เคยคิดเึ็กมาก เนี่ยตัวนี้ตัวสร้างปัญหาตัวคิ ด, ดึกเนี่ยจิตเมียที่คิดดึกนะคิดแล้วชอบใจคิดแล้วไม่ชอบใจ <c oughs> นะเนี่ยมันมีอยู่ในคนทุกคนอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายที่จิตเป็นทำหน้าที่คือรับรู้อารมณ์รับรู้สิ่งที่มากระทบทางตาไมเนี่ยรู้ไหมว่าผมนั่งอยู่นี่เนี่ยเราว่าเรามีจิตทางตาจิต เสียงที่มากระทบหูกลิ่นที่มากระทบจมูกรสมากระทบลิ้นความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งมากระทบที่ร่างกายและความคิดอดีตอนาคตเรื่องราไต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จิตใจเห็นไหม <c oughs> จิตทำหาที่อย่างเงี้ยไหนใครไม่มีบ้างมีทุกคนแหละเรื่องที่พูดวันนี้เป็นเรื่องของคนทุกคนที่ลองฟังและลองลองใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้ดูจิตเมียที่ต้องสี่อย่างรับความรู้สึกจำความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งรับรู้อารมณ์เนี่ยหน้าที่มันมากมันจะมีปัญหามากว่าจิตมีอะไรมากก็มีปัญหามากใช่ไหม ยวงเจ้าเนี่ยโอ้ผูดูแครับมีเสือพามาหลายตัวเลยอ่าบน้ำเสร็อ๊วันนี้จะใส่ตัวไหนดีมันเหมาะกับความเย็นดีนี่อ้อเลือกสามตลกเออมีหลายตัวมันก็ต้องเลือกเหมือนเนกันเนาะนั่นมีแค่หนึ่งเดียวเนี่ยมันไม่ยากถ้ามากกว่าหนึ่งเี่มันคิดมากนะเนี่ยดูร่างกายเราดิร่างกายเรามีแค่นี้นะอาการ32เนี่ยดูเลย มีตรงไหนบางทีมันไม่มีโรคในตัวเราเนี่ย <c oughs> เรามีสีษะก็ปวดสีรษะเป็นโรคสีรษกเรามีตาก็เป็นโรคตามีหูก็เป็นโรคหูมีหลังก็เป็นโรคหลังปวดหลังมีเขาก็ปวดเขามีขาก็ปวดข า, ข า, ด, ขาดีนะเราไม่มีงวงอถ้ามีงวงมีหางแล้วปวดงวงปวดหางอีมีอะไรก็เป็นโรคตรงนั้นอะ แล้วจิตใจเรามีโอโหหน้าที่มันมีมากมายมันต้องเป็นมีโรคจิตเป็นเรื่องธรรมดาโรคจิตวิญญาณเนี่ยหรือโรคที่ที่ทยากต่อการที่จะแก้ไขนะแต่ควบคุมได้ป้องกันได้โรคทางจิตวิญญาณไอ้โรคเนี่ยเป็นโรคที่เาเรียกว่าโรคทางสติปัญญาใครเป็นโรคจิตโรควิญญาณเนี่ยหาความสุขไม่ได้ แล้วมีปัญหามากแล้วเกิดขึ้นใน้ทุกวันทุกขณะจิตอย่างเช่นว่าอะไรโรคซึมเศร้าเหงาเซมรักโรครักนี่ก็เป็นโรครักใช่ไหมเคยเป็นโรครักไม่นอนไม่หลับ <c oughs> กินไม่ได้นอนไม่หลับกับสั่ภาษาเพราะโรครักมันรัดรึงใจโรคกรดเนี่ยกรดข้ามภพข้ามชาติก็มีนะ ก่อนจะตายก็โกรธเกิดมาก็โกรธโรคโกรธโรคโกลัว <c oughs> <c oughs> วาดระแวงอิจฉาสิยาหึงขวัววิตกกังวลน้อยเนื้อต่ำใจโรคคิดมากฟุ้งซ่านจิตหลอนนอนไม่หลับ สุดท้ายมันก็เลยเป็นโรคพาคิดสั้นกลยเป็นว่าโรคพาคิดสั้นไม่ใช่โรคพากินสันนะโรคพากินสั่นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ได้นะโรคพาคิดสั้นเนี่ยมันพลันตายเลยฆ้าตัวตายเนี่ยเนี่ยเพราะความกกนวนนไาม่ตกกังวลนะไอ้ความไม่ตกกังวลเนี่ยย้ำคิดย้ำคิดอยู่เนี่ย มันตอกย้านในจิตใจในเรื่องราวที่ออกกังวลหมกมุ่งกับความคิดมันเกิดอาการโรค พ, พาคิดสั้นค่าตัวตายนะข่าวที่ออกมาเมื่อวันทั้วันนี้ไหนักศึกษาจะรับปิญญาอยู่แล้วแต่เราที่ว่าเขาคงจะโอคงจะแบบอยากรับปัญญาเต็มที่รอเวลาลอีกต้องหลายวันกว่าจะรับรอไม่ได้แล้วผูกคอตายไป แต่ฟลาวโอห์ตกกังวลว่าเราไม่สวยเราไม่สวยนะไปสัญญกรรมตกแต่งว่าเราไม่สวยไม่สวยหมกมุ่นเยอะความคิดที่ไม่สวยอะไอส่วนที่สวยมีต้งเยอะนะไม่ไปดูไปดูไอส่วนที่ไปตาําำหนิว่าไม่สวยนะผ้าตังถือเนี่ยมันขาวสะอาดมีจุดดําแค่จุดเดียวมองจุดดําจุดเดียวใจมันก็มืดดํา มันก็เลยปลาดำดิ่งลงนรกไปเลยอาการฆ่าตัวตายนี่นตกนรกอยู่แล้วตกตั้งแต่ยังไม่ฆ่าอยู่นะ้จิตคิดไม่ดีคิดเศร้าหมอง น, นี่ก็ตกอยู่แล้วตายไปนรกมีก็ตกนรกอีกเอเพราะว่ามองแต่จุดที่ไม่สวยไม่สวยหมกมุ่นอยู่กับความคิดแบบเนี้ยแล้วชีวิตไม่รอดได้ไหมโลกพาคิดสั้นไหมหรือ น, น่ากลัวนะะ <laughs> มันควบคุณได้เราชี้ถึงปัญหาคุณเจ้าชี้ถึงปัญหาและชี้วิธีทางออกจากปัญหาเลยโลกเหล่านี้มันมีติดที่จะเกิดขึ้นกันได้ทุกๆคนไม่เว้นแม้แต่คุณหมอเองผู้รักษาโรคก็กมีสิทธิ์เป็นคนไข้ของคุณหมอเนี่มีคนไข้นอกคนไข้ใ น, น คนไข่นอกคือคนที่เดินเข้ามาทำบัตรคนไข้ในคนโรงพยาบาลแต่ไม่ใช่คนไข้ในตัวจริงของหมอคือใจหมอหนั่นแหละคือคนไข้ในต้องบำบัดต้องรักษาก่อน <c oughs> นะบอกมุ่นอยู่กับความคิดวิตกกังวลก็มียาติธรรมปเรีญาติธรรมนะคนที่ รู้จักหรือพูดคุยกันอย่างเงี้ยเรี ย, มมยกว่าญาติธรรมหมดเลยญาติธรรมคือเป็นธรรมเกิดมาด้วยธรรมะร่วมกันจะพากันเดินทางจับมือกันไปนิพพานญาติธรรพาคนที่เป็นโลกวิตกกังวลมาหาผมเขาบอกเขานอนไม่หลับก็าถามว่าทำไมนอนไม่หลับล่ะ เขากังวลใจที่ตกกังวลไปหาหมอไปเฉพาะโรคจิตนะจิตแพทย์ดีกว่าหาจิตแพทย์ <laughs> จิตแพทย์ว่า <laughs> ท, ท่านไม่คุณไม่ได้เป็นอะไรคุณกังว ล, ค, งวลคุณคิดมากแล้วเราเป็นย่างั้นเป็นไหมเป็นก็บอกเขาเป็นองนั้นจริงเขาคิดมากมาก็กังวลเขากลัวเขาจะเป็นบ้าบอกตอนนี้คุณยังไม่บ้ารอคุณยังปกติอยู่ ยังพูดคุยกันได้ยังไม่บ้าแต่ถ้าคิดกังวลเวลเข้ามีสิทธิ์บ้าได้ยังป้องกันได้นะเนียเขากังวลจนนอนไม่หลับทํางานก็กังวลไม่รู้กัวลเรื่องอะไรนะไม่รู้กังวลเรื่องอะไรหาเรื่องกังวลไม่ได้กอเลยกังวลว่ากลัวจะเป็นบ้าคือคนเราต้องมีเครื่องอยู่สักอย่างอ่ะถ้าเครื่องอยู่ที่ดีไม่ได้เึรืองอยู่ที่แย่ก็ยังอยู่ได้เงี้ยจิตมันร่องรอยกลัวจะเป็นบ้า ทำใหเกิดการนอนไม่หลับก็เลยบอกว่านี่ยนั่งก่อนนั่งก่อนให้คนนั่งแล้วก็ให้นั่งบนั่งโซฟาเอตัวสบายๆเรารู้จีตเกังวลใช่ไหมเขาตื่นนอนไม่หลับแล้วก็บอกอะไรลองลองหลับตาลองหลับตรงนี้สิหลับตาแล้วก็ลองนับเลขเนี่ยคุนนอนไม่หลับนั่นลองฝึกนับเลขนับเลขหนึ่งถึงสิบนับได้ไหมนับหลับตาแล้วก็นับหเลย สองสามนับไปถึงติดแล้วก็นับย้อนกลับลงมาสี่านับเพื่อจะนับอย่านับเพื่อให้ครบเพื่อจะกลอมจิตกลมใจให้หลับเพลนหลับเพราะใจคนไม่หลับเพราะใจคนคิดตอนนี้แทนที่จะไปคิดเราก็มานับซะ <c oughs> ได้ไหม เป็นหลัสกสากลเลยนะใช้กับทุกคนได้เลยนะสาสตร์อะไรก็ใช้ได้การนับเลขเนี่ยมันช่วยในการหลับเนี่ยคือย า, ยา น, นอนหลับขนาดดีก็นับไปนับไปก็หลับอ่าตากเราเนี่ยเขาหลับอย่าเดี๋ยวก็ตื่นตื่นแล้วก็หลับอีกนะเพราะอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเขาาหลับไม่สนิทพอตื่นมาเราเป็นไงหลับไหมบอกหลับด้วยแล้วก็ตื่นก็มีแล้วคํำแรกคือว่าไงไหม เขาจะหายบ้าไหมแต่ว่าจิตมันยังหมกมุ่นอยู่หลับไปแล้วตื่นมาก็ยังยังกลัวว่ากลัวจะเป็นบ้าไอ้ความคิดหมกมุ่นเนี่ยมันทำให้เป็นได้บอกทำไมอยู่วิเชยไม่ได้เลยต้องไปคิดสงสัยเราจะเป็นบ้าหรือเปล่าไอ้ความคิดเนี่ยมันพาตัวเราให้มันเป็นอย่างนั้นิงะเคยไหะเรากังวลเรื่องอะไรสินั่นมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเรากลัวอะไร สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราในส ม, มุนไทยเรียว่างว่าไงนะเกลียสิ่งไหนก็ได้อิ่งนั้นอะ่ะแล้วคนกลัวผีโดนผีหลอกบ่อยผีไม่หลอกคนไม่กลัวผีหรอกเคยสังเกตก็อย่าเป็นกลัวมหนเลเนี่ยเนี่ยอันนี้เ้าเรียกโรคจิตวิญญาณเนี่ยเนี่ยมันเป็นโรคที่สร้างปัญหามากและเกิดได้ทุกวันทุกเวลาด้วย มันมีผลทำให้สุขภาพกายเนี่ยไม่ดีนะไอคนคิดมากวิตกกังวลเครียดเนี่ยโรค ก, กายมีมากมายเนี่ยตั้งแต่มะเร็งความดันเบาหวา น, น, า ห, วานหัวใจไมเกรนโอ้โหสารพัดอย่างท้องอืดนะกินไม่ได้นอะนไม่หลับขับไม่สะดวกโอโ้ขับถ่ายไม่สะดวกเนะ <c oughs> พราะโรควิตกกังวลเนี่ยเขาเรียโกโรคจิตวิญ ญ, ญาณมีเป็นหนานะเนี่ย แต่โรคนี้ไม่เป็นไรหรอกธรรมะช่วยขจัดได้ธรรมะช่วยขจัดได้ธร ร, ดไดธรรมะโอสถยาคือธรรมะเนี่ยรักษาโรคจิตวิญญาณได้แต่ธรรมะเนี่ยมันเป็นยาทั้งตู้ <c oughs> เราจะกินยาทั้งตู้จะยาทั้งตู้เนี่ยมันไม่เหมาะกับโรคเราก็ได้ มีอยู่ขนานเดียวที่ขนานเอกนะเปิด ต, ตัวระยิบมันใช้แล้วขนานเดียวรักษาได้ทุกโลกไม่ต้องเสียสามสิบาทหรือสามนะคือสติตัวสติ <c oughs> ตัวสตินี่นะมันรักษาจิตรักษาใจนะรักษาโลกจิตวิญ ญ, ญาณได้ตัว ส, ต, <c oughs> สตินะสติเนี่ยเป็นภาษาแขกภาษาบาลี เราเรียกเป็นภาษาไทยว่าความรู้ตัวความรู้ตัวเนี่ยความรู้ตัวหรือรู้สึกตัวก็ได้ความรู้ตัวความรู้ววรสึกตัวเนี่รักษาได้ทุกโรคนะโรคจกกิตโรคใจจิตปัญญารักษาได้นี่ไอ้ความรู้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยรือสติเนี่ยถ้ามันครอบครองใจไปแล้วก็นอกจากสุขภาพจิตจะดีแล้วสุขภาพกายก็ปล่อยดีไปด้วยคุณหมอประเวรศรสีท่านบอกว่า สติเนี่ยโดยเพราะเรื่องการฝึกการเจริญสติสม่ำเสมอเนี่ยมันเป็นการบริหารจิตที่สำคัญยิ่งเลยนะเนี่ยคุณครับพระเวทท่านกล่าวไว้ไอ้ตัวเนี้ยเราสามารถเอามาใชา้ได้ที่ปัจจุบันเลยผมเองมีก็ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพติโรคจิตวิญญาณมีเยอะมีมากสมัยที่เรา เล่นตนพิการใหม่ๆเนี่ยจิตมเศร้หมองในท่ากางพิการร่างกายที่พิการจิตมีแต่ความทุกข์ร่างกายมันก็ทุกข์มากอยู่แล้วแล้วก็เป็นทางด้านจิตใจจิตใจก็ลอยพิการไปด้วยไอ้ความพิการคือความไม่ปกติกายไม่ปกติคือกายพิการถ้าจิตไม่ปกติก็คือจิตพิการมันจะมีแต่ความทุกข์ เสียดายเสียดายอดีตพอเสียดายแล้วเป็นไงมันก็ทุกข์เพราะมันผ่านมาแล้วกังวลถึงเรื่องอนาคตมันก็ทุกข์เพราะอนาคตนี่มันมืดมนเราหมดทางแก้ไขแนละ้วต้องพิการตลอดชีวิตอย่างเงี้ยอนาคตเป็นอย่างไร <c oughs> มันก็ต้องไีทุกข์ดักลอยอยู่ข้างหน้าเอาเรื่องราวในอนดีต และเรื่องวิตกตะวลอนาคตอวตาทัพถมในปัจจุบันจนไม่มีความสุขทุกท่านสามกาเลเลยอดีตกาลอนาคตกาลและปัจจุบันกาล <c oughs> ก็มีแต่ความทุกข์นานเนี่ยเนี่แหละโลกจิตโลกวิญญาณมันเกิดขึ้นกับเราแล้วทุกมากหมกมุ่นจงกระทังมันทุกจนพอกเพียงแล้วก็อยากจะแก้ปัญหาตัวเองบ้างจะแก้ปัญหาจะแก้ไข มาสิบก ป, ปีกับการที่นอนเป็นทุกข์นะก็เลยมีวิธีการแก้ปัญหาตัวเองเนี่ยดูนะการออกจากความทุกข์ก้าวแรกทำอย่างไรเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เอาไปใช้ได้ <c oughs> พอนนี้อาจจะทุกข์ไม่มากพอไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเตรียมเตรียมความรู้ไว้ป้องกันอนาคตข้างหน้าเนี่ยรู้ไหมมนเกิดอะไรกี้กับเรานะเนียแล้วก็ต้องแก้อาภรณ์มาแก่แล้ว แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายแล้วก็ต้อง Lego, พลาสารพัดยามันรอเราอยู่แล้วเนี่ยเราจะต้องเผชิญหน้าเราจะทําอย่างไรเห็นไหมเนี่ยผมเป็นตัวอย่างการที่เราเตรียมป้องกันเอาไว้เพราะว่าผมอยู่ในขั้นของการแก้ไขป้องกันไม่ได้แล้วแต่เราประมาทมากเพราะความประมาททาให้ร่างกายผมต้องปิการประมาทรู้เท่าไม่ถึงการ ถ้ารู้อย่างนี้แล้วเราไม่ไปกระโดดน้ําก็ดีอะเห็นไหมแต่มันก็พลาดไปแล้แก้ไขไม่ได้อ่าป้องกันไม่ได้แล้วยังท่านผู้ฟังที่สามารถยังป้องกันได้เรายังไม่มีความประมาทใช้แบบไม่ประมาทมีความรู้ตัวถ้ามีความรู้ตัวเมื่ อ, อไหร่เราก็ไม่ประมาทผมจัดการกับเองโดยการใช้วิธีคิดผมมีวิธีคิดในสภาพร่างกายที่มีแค่ สองอิเลีย บ, ท, ยบ ท, ที่จำกัดมากนอนกับนั่งยืนเดินก็ไม่ได้เป็นยาบทที่จำกัดสมมติจะนอนต้องได้ทำไปนอนนี่ไม่ใช่หมายถึงนอนหลับนะเพราะถูกบังคับว่ า, าต้องนอนถ้าไม่นอนเราจะนั่งหยื่ได้ไม่นานมันจะมีอาการเหน็ด <c oughs> เหนื่อยอึดอัดหลายอย่างแพ้กดทับ <c oughs> หายใจไม่ไดกหลายอย่างที่เกิดกันเรานี้ย ใช้ชีวิตแบบนอนแยบกบทจำกัดสองแยบทความไม่สะดวกเนี่ยมันคือตัวผมทำ ง, ง้นเลยเราจะใช้ชีวิตแบบไม่สะดวกแล้วเรื่องความสบายเนี่ยมาพูดถึง <c oughs> เพราะเรามันมีแต่ความไม่สะดวกนผมก็เข้าใจที่ว่าเราต้องเรียนรู้เรียนรู้ที่อยู่ในสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยต้องเรียนรู้ที่อยู่กับมันให้ได้ เรียนู้อยู่กับมันให้ได้เราจะได้มีความลำบากน้อยหน่อยใครช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองละเราต้องเรียนรู้ว่าจะอยู่กับมันอย่างไรทัวร์นี้ก็ยังเรียนรู้อยู่นะอยู่กับร่างกายที่ไม่สมประกอบเนี่ยก็เรียนรู้ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ทั้งหมดเลยโรคภัยที่เกิดที่เกิดขึ้นร่างกายเนี่ยเป็นการเรียนรู้ผมทั้งหมดเลยไม่ได้เป็นเรื่องของการลำบากที่ชดใช้มีการไม่ใช่นี่แหละคือมาให้เราได้เกิดปัญญาและก็บอกต่อๆไปคนอื่นเป็นวิทยาทานไปด้วย เราเรียนรู้จากปัญหาตัวเองเนี่ยแล้วก็นาความรู้สบการณเนี่ยไปเล่าสู่บรรพันเพอเป็นระยชนกเรียนรู้ที่อยู่กับสภาพร่างกายที่ไม่ปกติเนี่ยและก็อยู่กับมันให้ได้ผมไม่เคยเปรียบเทียบที่ผมกับชีวิตใคร <c oughs> ไม่เปรียบเทียบตัวเรากับงหรือไม่เปรียบเทียบแต่เราดูว่าเราเป็นอย่างไรเนี่ยเราดูตัวเราเป็นอย่างเป็นอย่างไรถ้าไม่เปรียบเทียบเนี่ยเราก็เป็นคนที่ด้อยครับ ถ้า เ, เปรียบเทียบแล้วเราเก่งกว่าเขาดีกว่าเขาตัวดีกว่าเขาเราก็อัตราสูง <c oughs> เราเป็นอย่างไรเนี่ย <c oughs> อันนี้มันเลยรู้จักของจริงเราเป็นอย่างไรจะแก้ไขตรงอย่างไรช่วยเหลือตัวเราเองอย่างไรบ้างเรียนรู้จักตัวเราไม่ได้เปรียบเทียบกับใคร <c oughs> นีแล้วก็ฝึกที่จะยอมรับน่ะยอมรับกับความไม่สะดวกของตัวเราให้ได้ ยอมรับว่าเราจะต้องไม่สะดวกเนียเริ่มเริ่มยอมรับมันเราจะไม่สะดวกนะยอมรับว่าสิ่งสถานที่เกิดคือเราเนี่ยมันมีสิ่งที่ขัดใจเราทั้งนั้นแหละาามันต้องมีสิ่งที่ขัดใจเราไหนใครไม่เคยโดนขัดใจตัวเองมั้ยเรื่องตัวเองมันขัดใจตัวเองก็มีนะแปลกมนะั้ย <notebook> เราบอกโอ้เรามีสิ่งที่ขัดใจทั้งนั้นเลยนะไม่ได้หลังใจมันไม่ไล่หลังใจทั้งนั้นเลยเพราะว่าอย่างนั้นนะก็ใช่ ก็ใจเราเนี่ยมันใช้ชีวิตแบบฟื้นกฎธรรมชาติอ่ะมันใชถูกใจได้ไงจะ ถ, ถ้าเรายอมรับว่าอ๋อเราต้องไม่สันตวัตเราต้องมีสิ่งที่ขัดใจ<อ>เราได้อะไรเง้ย<อ>เลยเจอสิ่งที่ไม่ขัดใจนั่นงาว่าแล้วเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเรานั่นงาว่าแล้วเราต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนบางทีบางอย่างมันก็เลือกไม่ได้ส่วนมากจะเลือกไม่ได้ถ้าด้วยชีวิตผมนะขึ้นอยู่กับคนอื่นเขาชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่น บางทีเราก็เลือกไม่ได้และส่วนมากเราก็เลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้เราก็เลือกแต่ส่วนมากจะเลือกไม่ค่อยได้แต่เราก็ยอมรับนะในสิ่งที่เราไม่เลือกเลือกไม่ได้เราบอกว่าอืมเพรเราตั้งใจไว้ไแล้วว่าชีวิตเราต้องเลือกไม่ได้บางมีเลือกสมหวังานั้นไม่เคยผิดหวังนะไม่เคยผิดหวังที่ว่าเราจะไม่สะดวกก็ใช่สมหวังแลละเราจะมีแต่สิทีขัดใจก็ใช่ จะมีคนบนคนว่าก็ถูกต้อง <c oughs> เราจะเลือกไม่ได้ <c oughs> ก็ใช่ทุกอย่างเลยไม่มีการผิดหวังย <c oughs> อย่างเงี้ยใจเราจะสบายขึ้น <c oughs> <c oughs> เราไม่ใช่มองโลกในแง่ลายการที่เรายอมรับความจริงกับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราได้เนี่ยทำให้ใจเราผ่อนคลายนะบางทีมันมีความสุข ในที่ี่เราต้องเจอไม่มีความถูกนั่นงานว่าแล้ววันละเรามีความเสร็ขแล้วมันจะมีวิธีคิดที่ออกจากปัญหาแล้วแก้ปัญหาตัวเองได้ด้วยไอ้ที่เราแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เนี่ยเพราะเราไม่ยอมรับกับปัญหาที่คือวันะพยายามจะปอกปิดเซ็งตรงนี้ก็ไปตรงนู้นเบื่อตรงนี้ก็ไปหาคนนู้เนี่ย เ, ยเยบื่อช่องนี้ก็ไปเปิดช่องโนู้นเราไม่เคยยอมรับว่าเรามีแตสิ่งที่ผิดหวังมีสิ่งที่ขัดใจไม่เค ย, ยยอมรับมัน แล้วก็หาอยูน่นะหานอกตัวหานอกใจหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะปัญหาอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่สิ่งแวดลอ้อมถ้าแก้ปัญหาใจได้เนี่ยบางทีไม่ต้องแก้ไขสิ่งแวดล้อมเลยนะเราจะรับว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแหละสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เองแหละยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นซะเราจะมีวิธีคิดและ ว, วิธีการออกจากปัญหาใจมันจะผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยเนี่ย <c oughs> แต่ว่าไอการยอมรับอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเราต้องฝึกที่จะแก้ไขบ้าง <c oughs> <c oughs> ต้องแก้ไขไม่ยอมรับแล้วโอ้เราเกิดมาเราโง่เหลือเกินแล้วก็ไปคิดแสวงหาความรู้อะไรก็โง่ตลอดไปตลอดชีวิตเราเกิดมาเราจนเหลือเกินในขี้เกียจเหมือนเดิมก็จอตรอดชีวิตมันต้องจัดแก้ไขเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเรายอมรับแล้ก็แก้ไขมันเราผมนี่ฝึกที่ช่วยตัวเองช่วยตัวเองต้างดีช่วยได้ <c oughs> ไอ้ช่วยไม่ได้ไม่ไปร้ายแล้วไอ้ช่วยได้ช่วยไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเราทําอะไรไม่ได้ไม่ได้คืนนอนนิ่งมันทําอะไรมันก็เป็นผักเป็นลาเป็นผักเป็นปลาถูกสตาฟช่วยตัวเองธนารางกาแล้วเราก็ช่วยจิตใจเราด้วยการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเริ่มติดในยุจนนจะจําวันเนี่ยการเจริญสติในยุคจําวันเนี่ยเป็นการปฏิบททัติธรรม ทำได้ทุกที่แม้แต่คนพิการก็ทําได้ท่านบุฟันนี่ก็ทําได้ทุกคนเลยไม่ว่ า, าศาสนาอะไรก็ตามนับถืออะไรก็ตามวัดที่ใดก็ตามผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่คนไข้คนป่วยคนแก่ทําได้ทั้งนั้นแหละสติคือฝึกสติคือฝึกความรู้ตัวให้เรามีความรู้ตัวเราก็ฝึ ก, กจิตใจโดยการรู้ตัว รู้ตัวไปกบการใช้ปรจจำวันเนี่ยทำอะไรก็รู้ตัวนะจะเคลื่อนไหวก็รู้ตัวรู้สึกตัวอย่างนี้แหละนะดืมน้ำก็รู้ตัวทุกอย่างเป็นความรู้ตัวหมดเลยพอรารู้ตัวเสร็จแล้วเนี่ยจิตมันจะตื่นนะมันตื่นนะที่มันจะทรงหมกมุ่นเหงือความเครียดความหงอยเหงาไม่มีความรู้ตัวรัามันตื่นตัวพอรู้ตัวแล้วมันตื่นตัวดีไหมตื่นตัว เมื่อตื่นตูมนะตื่นตูมนี่กลัวตลกตลกใจแต่ตื่นตัวนี่มันตื่นมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราอาศัยการเจริญสติรู้จักตัวเองศึกษาตัวเองดูตัวเองเนี่เป็นการรู้ตัวเองให้มารู้ตัวในชีวิตประจำวันในปัจจุบันนี่แหละมันก็แก้เ็สร้างสุขได้เหมือนกันนะ ไอการมารู้ตัวตื่นตัวเนี่ยมันแก้เซงสร้างถูกเลยเหมือนกันนะเราเซงเพราะอะไรเซงเพราะความคิดเซงเพราะไม่มีอะไรทำใช่ไหมบางคนเซงเพราะทามากเกินไปบางคนเซงเพราะไม่มีอะไรทำบางคนเซงเพราะไม่คิดหาอะไรจะทำอะไรมันเซงมากเหมืกันขอถามหน่อยเนี่ยเซงเพราะการทำงานสร้างๆหนึ่งเซงมากบางทีันก็เซงนะเนี่ย แต่เซ็งหมอ ม, มีไม่มีรลยธรทำเนี่ยเซ็ง 2. สองเซ็งสามเพราะเรื่องคิดจะทําอะไรทําได้แต่ไม่คิดจะทำอันนี้เซ็งมากเนี่ยเซ็งอย่างนี้มีสิทธิ์ที่เป็นโรคคาคิดสั้นนะอแต่เรามีอะไรทําในปัจจุบันจิตมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวนะมันไม่พุ่นวายไปฟุ้งซ่านหาเรื่องให้ตัวเอง เ, เป็นทุกข์การที่ มีความรู้ตัวฝึกจิตให้ไม่รู้จักตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นการคุมกําเนิดความคิดนะเนี่ยเข้าการคุมเลยเนี่ยคุมกําเนิดความคิดที่มันชอบปรุงในจิตใจเพราะจิตเรามารู้ตัวแล้วเนี่ยจิตมันไม่เป็นหมกมุ่นออกับความคิดหรอเห็นไหมไอ้ที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยจิตมันก็ไปหมกมุ่นออกับความคิดก็พาจิตพาใจไปเศ้าหมอง ถ้ามีความรู้ตัวแล้วจิตไม่ไปหมอมุ่นกับความคิดเท่ากับเป็นการคุมกำเนิดความคิดคุมกำเนิดความคิดเนี่ยความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดที่มันคิดฟุ้งซ่านทำให้เรานอนไม่หลับไอค้คุมกำเนิดความคิดตัวนี้ได้เนี่ยมันจะเกิดความคิดที่ดีๆที่ฉลาดที่จะแก้ปัญหาเกื้อกกับคนอื่นซ้าไปนะมันเริ่มคุม แต่คุมกํำเนิดความคิดฟุ้งซ่านยิ่งเราฝึกเปนนานทุกวันทุกวันจะนั่งก็รู้จะกินก็รู้จะเดินก็รู้อาบน้ําก็รู้ขยับไปเยี่ยนเคลื่อนไหวก็รู้ตัวรู้ตัวทุกคนทําได้มันคุมกำเนิดความคิดทำไปบ่อยเข้าจิตมันจะมีกําลังจิตไม่อ่อนแอคนเราเป็นทุบคิดมากฟุ้งซ่านมาเพราะจิตอ่อนแอที่มีกําลัง ขาดกำลังเวลามีอารมณ์มากระทบอารมณ์โกรธมากระทบก็หลงโกรธเลยเพราะจิตมันขาดกํำลังมันแพ้ภูมิความโกรธอพอเราเผลอหน่อยเอาความโลภอยากได้มาถึงก็ <c oughs> จิตมันก็หลงไปความโลภอยากได้ <c oughs> อยากหาเป็นนี่ถึงสิ่งเอาข้ามาห <c oughs> าตัววันที่ก็ปล่อยให้จิตเลื่อนลอยหลงอารมณ์เลื่อนลอยเผลออะไรล่ะครับเนี่ยจิตมันหลง ถูกความลงพลาจิตไปเพราะจิตเราขาดกําลังขาดกําลังจิตเราออกกําลังกายมามากมายแล้วไม่เคยออกกําลังจิตเลยจิตมันก็อ่อนแอนะมางทีกายแข็งแรงจิตอ่อนแอหลงไหลไปกับอารมณ์มันก็พาทุกข์มาสู่เราพาทุกข์มาสู่จิตเราแล้วความทุกข์ไม่เคยรับผิดชอบเราเลย เราต้องหาต้องมานั่งเสียใจโอ้ว oh, เราไม่น่าเลยเ <c oughs> พราะจิตเราอ่อนแอไปแล้วมันต้องสร้างพลังจิตโดยการมีความรู้ตัวในปัจจุบันนี้แหละฝึก <c oughs> มีสติรู้ตัวบ่อยๆเนี่ยไอ้ความคิดมันไม่มีวันจะหมดใจนะความคิดไม่มีวันหมดไปจากใจแนะ่นอนไหนมีใครความคิดมันหมดใจงความคิดไม่หมดไปจากใจเรามีแต่เเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละ วางเนี่ยไปรอเน่าเข้าโ ล, ล่กันแะความคิดหมดใจเพราะไม่มีใจจะคิดความคิดไม่มีวันหมดใจอย่าได้ไปห้ามสติเวลาเลยเราเิียงจะมีสติคุมกาเนิดความคิดให้มันน้อยลงมีสติคุมจิตคุมใจให้ปกติเอาไว้จิตจะมีกําลังเอาไว้ต่อสู้กับอารมณ์คนทุกคนเนี่ยมีจุดอ่อนของจิตไม่เหมือนกัน สังเกตไหมทุกคนมีจุดอ่อนนะจุดอ่อนต่อลมเ จ, ม อ, ลมจมมลอลมนี่ไม่ได้ลำหายมันก็ต้องจะต้องตามเจอลมนี้ไม่ไหรมันจะต้องตามเพราะจิตมันแพ้อารมณ์จิตไม่มีกําลังสู้อารมณ์นี้ไม่ได้แต่ถ้าฝึกจิตเบ่อยฝึกสติบ่อยเืยเรื่อยเรื่พอจิตมีกําลังแล้วเนี่ยมันสามารถสู้อารมณ์ได้สู้คือรู้ทันอารมณ์ตัวเองรู้ทันอารมณ์ตัวเอง เวลาอารมณ์รักเกิมันก็สติรู้ทันอารมณ์รักมันก็จางคลายเวลามีความโกรธขึ้นมาบัฟจิตมีกำลังสติรู้ทันมันก็สู้กับความโกรธได้โดยที่เราไม่ต้องไปพูดไปทำร้ายใครดืวยต่ำตันี่เพราะจิตมีกำลังสู้อารมณ์ได้สู้อารมณ์ที่ผ่านมาตางจิตได้มันนิวันหมดไปจากใจแล้วไอ้ความคิด เรื่องอารมณ์ต่างๆย่อมมีเสมอจกว่าเราจะตายไปจะไปห้ามมันแต่เรารู้ทันรู้ทันแล้วปล่อยให้ผ่านไปรู้ทันแล้วปล่อยให้ผ่านไปเรียกได้เอาชนะอารมณ์เอาชนะใจตัวเองนะแล้วฝึกบ่อยๆเนี่ยมันมันลดได้นะมันลดอารมณ์ออกจากจิตใจได้นะลดความรุนแรงเมื่อรู้ทันอารมณ์เมื่อไหร่มันก็ลดรู้เมื่อไหร่มันก็ลดคือรู้ทันอารมณ์ มันก็ลดละความรุนแรงอารมณ์แต่ว้าอารมณ์นั้นไม่มีความหมายกับเราเลยก็ได้เพราะเรารู้ทันเใช่ไหมคนที่มีลูกถ้าไม่รู้ทันลูกลูกมันก็หลอกเราทุกวันถ้ารู้ทันลูกเราหลานเรามันก็หลอกเราไม่ได้ลูกของเราเหมือนนี่แหละอารมณ์องเราในหะลคือลูกที่ต้องดูแลต้องรักมันก่อนไม่ใช่ลูกข้างนอกลูกข้างนอกแต่มันก็ต่อขึ้นมันก็ตายแหละ แต่ลูกข้างในเราเนี่ยมันมีตรงข้างเราจนตาลูกตจนคนเนี้ยจะต้องเลี้ยงดูให้ดีด้วยกันรู้ทันอย่าให้ลูกมันหล อ, อกจิตเราไม่ถึงลูกคืออารมณ์นะ <c oughs> พอรู้ทันอารมณ์มันก็ลดอารมณ์ที่มันรุนแรงให้น้อยลงคนที่เคยโกรธถ้าไม่รู้ทันความโกรธก็รุนแรงเพราะมันมีการคิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งถ้าไม่โกรธนะ่ะยิ่งคนถูกนะ่ะโกรธมาก เพราะเราเป็นคนถูกทกําเราได้ยังไงคนถูกนะโกรธมากไอ้คนตกนิกันแล้วกันแล้วกันไปนะติดถูกติดดีเราพอดีไอ้ตัวเนี้ยทําให้เราต้องเป็นทุกข์มากเพราะเราไปติดไปยินมาเหตุผลมากมายถูกความคิดปรุงแต่งท่วมทับใจแล้วเวลาเราทุกข์เนี่ยไอ้ความถูกไม่ทําให้เราได้หาทุกข์ได้เลยมาลองดีติดตัติด ด, ดีต้องรู้ทันอารมณ์ตัวเองนะเมื่อโกรธปั๊บรู้ทันโกรธปั๊บรู้ทัน บางทีความโกรธแม่หายเอาไอจิตที่รู้ทันเนี่ยมันลดระดับของความโกรธไว้ถึงครึ่งหนึ่งใช่ไหมเวลาโกรธแล้วไม่รู้ไม่ทันเนี่ยวันนี้ก็โกรธเต็มร้อยแต่ถ้ารู้ทันปับ๊บโกรธห้าสอบฝึกบ่อยรู้ทันอีกเหลือยี่สิบแต่ความโกรธพารู้ทันอีกเหลือแค่ห้าคนนี้พารู้ทันความโกรธก็ดับไป รู้ทันบ่อยๆความโกรธไม่เกิดเอมันถ้าความโกรธไม่เกิดใจเราก็ไม่มีเครื่องดูเลยเรามักโกรธอยู่แล้วจะทําไงให้มันโกรธ ด, ดีอยูคือคนหาเรื่องโกรธนะบางทีมีเรื่องแรงอยู่กับคนใกล้ๆตัวเนี่ยบางทีมีเรื่องโกรธอะ่ะอยู่โนมาคุยแล้วมันขัดใจกันอยนะ่างนี้ก่อนนอนจะดีอยู่แล้วจะหลับอยู่แล้วแต่พอปรึกษางานแล้วเป็นเรื่องเลยเข้าใจปรึกษางานที่ไรเป็นเรื่องทุกที <c oughs> พราะเราไม่รู้ทันอารมณ์ตัวเองเนี่ยคนคนเดียวไม่ค่อยมีปัญหาถ้าสองคนปับ๊บเริ่มปรึกษาปับ๊บเดี๋ยวมันก็หาเรื่องลงกันเองไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ก่อนจะนอนหาเรื่องคิดปรุงแต่กระทั่งใจเรายังเคยเป็นทุกข์พอใจเราก็มีใจเรามันท่านทำร้ายใจเราถ้าเรารู้ไม่ทันอารมณ์ที่ทบังคับทุกเนี่ ย, ยถ้ารู้ทันจิตเมื่อไหร่แล้วก็ มันลดระดับของอารมณ์ให้ร้อยลงร้อยลงพออารมณ์ร้อยลงเหตุผลมันก็จะมาความคิดดีๆก็จะเกิดขึ้นให้ความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันก็ค่อยจางคลายไปเมื่อจิตใครมีปรุงแต่งน้อยหรือไม่มีการปรุงแต่งหรือปรุงแต่งขค่หนึงเนี่ยจิตมันจะผ่อนคลาย <c oughs> ความสุขสดใสามาเกิดขึ้นในจิตเนี่ยไม่ปรุงแต่งให้เป็นทุกข์ปรุงในหน้านดีๆก็ได้ ปรุงให้เกิดความสุขก็ได้มันจะมอรโล่อะไแง่ดีก็เพราะตรงนี้แหละเพราะจิตที่มีความรู้ตัวจิตมีความรู้ตัวเนี่ยมันทําให้จิตที่มันผ่องใสมารโร่ในแง่ดีและชิตมันก็ดีมันเป็นจิตที่เดิมๆนะถ้าเรารู้ทันจิตตัวเองรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์เนี่ยสิ่งนั้นเขาเกิดขึ้นไม่ได้ถึงเกิดก็ดับไปไวมากเกิดแล้วดับเร็วจิตก็ยังผ่องใสเหมือนเดิม ธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเนี่ยมันผ่องใสมันผ่องใสที่มันมัวหมองก็เพราะว่าอะไรนะเพราะไอ้ไอความคิดเนี่ยมันมากรุมแต่งจิตคิดในฝ่ายอยากได้คิดในฝ่ายไม่ชอบใจคิดแบบไม่รู้ตัวเฉยๆกลางๆไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไม่รู้ว่ามันมันพอใจหรือไม่พอใจอไม่รู้ว่ามันคิดออกมาแล้วแต่ตัดสินไม่ได้เป็นอะไร ใจคนที่มันมัวหมองซ้อมหมองเพราะว่าถูกอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจแล้วก็กังกลาดที่เกิอันนี้มันเป็นแขกนะแขกหน้าดําเดิ ม, เ, ดมเอาเรื่องเก่าๆมาหลอกลวงเราว่าเกิดมันก็มีแค่มีความพอใจนี่ก็แขกคนหนึ่งพอความพอใจหายไปแล้วไอความไม่พอใจเกิดขึ้นนี่อีกแขกอีกหน้านึงแต่เรื่องเมเดิมมันเรื่องความไม่พอใจอีกแข่คือทําให้เราหลงไหล คนทุกคนก็เป็พ้นแขกสามตัวแขกสามตัวนี่แหละไอตัวพอใจไอตัวไม่พอใจอตัวเฉยๆเนี่ยมีทุกคนนะสิ่งเนี้ยเนี่ยเราไม่ห้ามแขกนะแขกจะมาบ้านเราเรายินดีแต่เรารู้ทันแขกอารมที่พอใจมาเอาเรื่องพอใจมาหลอกลวงเราถ้าเราหลงไหลเราก็รู้ทันถ้าเรารู้ไม่ทันแล้วก็หลุดโลกไปกับความพอใจเลยแล้วเราก็เป็นทุก ไอ้ความพอใจไม่เคยช่วยเหลือเรยเราเป็ทุกข์ให้เรามันนั่งเสียใจยต้องไม่ห้ามแต่รู้ให้ทันอารมณ์ไม่พอใจมันกระทบเราก็ไม่ห้ามนะคนทุกคนมีสิทธิ์ไม่พอใจได้แต่ว่าเรารู้ทันเมื่อรู้ทันในความไม่พอใจเนี่ยมันระงับกายระงับวาจาไม่สร้างกรรมทางกายไม่สร้างกรรมทางวาจาให้เราต้อง เ้ามองต่อไปข้างหน้าพอรู้ทันแล้วแขกก็ผ่านแขกนี้แปลกนะพอรู้ทันเข้าขไปไอ้ความที่เฉยจริงๆเราที่เจอนะเทารู้ไม่ทันนะเราก็นิ่งหลับหลายไ อ, เ อ, เ อ, เอ้เฉยๆไปไหนหลับเมื่อ น, นั้นนะถ้าเจยปับ๊บรู้ทันในความเฉยจิตมันตื่นไม่หลับความเฉยก็สลายไปนีละชีวิตเรามีแขกมีแขกสามประเภทเนี่ยแนะกกหน้าเก่าๆเดิมๆเรื่องเก่าๆมาหลอกเราเราก็เชื่อทุกทีเพราะเรารู้ไม่ทันแขก แต่แล้วเวลาเอ็นทุกเมื่ไรแขกก็ไม่เคยมาช่วยเรามีแต่ซ้ำเติมหน้าไม่มีสติรู้ให้ทันรู้ให้ทใจก็จะบก่อนกลายแล้วสิ่งนั้นแขกมาแล้วแขกเขาว่าแขกเนี่ยเขาว่าแขกเนี่ยเขาไม่อยู่เลยเหรอกเข้ามาแล้วก็ไปเข้ามาแล้วเขไปเข้ามาแล้วเขไ ป, ข แ, ขไปแค่รู้ทันเขาเข้าไปแค่รู้ทันเขาเข้าไป ใ, ใจเราก็ผ่องใสเหมือนเดิมไ ง, งใจนี่เหมือนเดิมนะจันเดินะ น, ดนี้ผ่องใ ส, ขอ ง, ใส ข, องของเดิมเห็นไหมเนี่ยอย่างผมเนี่ย ร่างกายไม่มีวันเหมือนเดิมนะร่างกายผมไม่มีวันเหมือนเดิมนะผมเกิดมาเนี่ยผมก็ไม่ใช่นั่งรถเข็นมานะไม่ได้นั่งรถเข็นมาเลยนะผมมานอนมาอย่างดีเลยนะร่างกา ย, เ, ยเดิมๆเิมอนอย่างนั้นแต่มาพิการเข้าเนี่ยจมกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยหมดหวังไม่มีโอกาสานเนี้ย มันย่าี้ก็ต้องไปเนี่ยตลอดชีวิตใจผมเกิดมาเนี่ยใจมันดีมาก่อนนะไอ้ที่ร้องไห้ไมีใช่ใจร้องไห้กายหมอตบให้ร้องไห้ร้องไห้เพื่ออะไรเป็นการช่วยในการหายใจขยายขยายปอดให้รู้ว่าเออตื่นแล้วเกิดมาแล้วโลกนี้เราก็เกิดมาแล้โลกนี้ะนจะพิการ <c oughs> จิตมันดีมาก่อนของเก่ามันดีมาก่อนเรามาสะสมอะไรอะไรไว้อ่ะ สังสม น, นั้นแม่เรา พ, อราพ่อเราเพื่อนเราชื่อเราถ้าของเราเราก็ใครเอาไปก็ไม่ได้เนี่ยมีตัวตนค้อว่าเป็นเจ้าข้าเจ้าของเนี่ยต่อมาไม่ได้เรียนรู้เรื่องไม่ได้ฟังธรรมะเอาเกิดความประมาทเนีพากายไปทิ่การพาใจไปทุบเพราะความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยเพราะเราไม่มีธรรมะแม่ให้ธรรมะนิจิตชีวิตเราปล่อยให้กิเลส กรรมเป็นฝ่ากิเลสมาลิกิตชีวิตเราจนเราต้องมีสภาพเช่นนี้แต่ พ, พิการแล้วในต่อไปแล้วก็จะเอาธรรมะลิกิตชีวิตให้มันอยู่เหนื อ, นอกรรมให้มันอยู่เนื้อความทุกข์เพราะความพิการนี่ละนี่ธรรมะลิกิตมันเหนือกับนิคิตตรงที่ว่าไม่ติดอยู่ในปวงแห่งกรรมไม่นิพงนะเราต้องพ้น่วงงกรรมโดยการรู้เท่าทันในความโกรธในความอิจฉาจิยา ในความยึดมั่นถือมั่นตั้งอยู่เหนือกับนิิกิตให้เป็นธรรมะนิกิจต์มันปลอดภัยพาจิตไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เนีย่ยร่างกายไม่มีวันเหมือนเดิมหรอกแต่ใจนี่เหมือนเดิมได้นะเนีย่ยที่ไหนที่มี ม, มีมีพยาบาลมีหมอไหมหรือมีคนที่ทำการโรงพยาบาลไหมเนีย่ยไม่มีนะและคนที่เดินผ่านโรงพยาบาลมีไหม เออต้องมีทั้งคนนะที่โรงพยาบาลนี้มีแผนกแผนก น, นี่ผมชอบมาแผนนี้เพรอะมากแผนกนี้ชื่อเพราะมากเขาเรียกแผนกขอให้เหมือนเดิมแผนกขอให้เหมือนเดิมนี่ผมเคยไปใช้บริการแผนนี้มาแล้วนะทำยังไงก็ไม่เหมือนเดิมนะคือแผนกอะไรรู้ไหมใครตอบได้อ๋อโอ้ขอบคุณท่านเอง แผนกกายภาพบําบัดไงแผนกไวเหมือนเดิมผมไปใช้บริการมาแล้วมือผมก็กําลังสมัยก่อนเนี่ยพยาบาลก็พันมือจับมันจับไม่ได้ก็พันมือดึงดึงมาหูเราดึมันจะเหมือนเดิมให้เราดึงทางมือขาจะเดินได้ไหมเนี่ยดึงที่มือขามันจะเดินไดเพื่อจะให้มันเหมือนเดิมถึงอย่างไงอย่างไรผมไม่ให้มอนเดิม ไม่มีวันเหมือนเดิมหรอกเรารู้แล้วมันไม่เหมือนเดิมนะแผนกายภาพบัมบัดกายภาพทางกายมันไม่เหมือนเดิมแต่ธรรมะกายภาพทางจิตโอ้โหจิตมันเหมือนเดิมได้เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยสามารถเหมือนเดิมได้สามารถสดใสได้ในทําการร่างกายที่พิการก็ได้นะไปเรียนตําราของฝระหลักสมัยเรียนวิชาพระวิชาเขาสอนว่าอะไร Sound mind inside body จิตที่ แ, แจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงจิตที่แจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงโอ้ร่างกายต้องแข็งแรงก่อนจิตตึงแจ่มใสนะมันไม่ใช่ตำร า, านี่มันมันไม่ได้นะตำราฝรั่งเราไม่เชื่อเราตำร า, าพูดดีกว่าเ ป, เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เลยจิตที่แจ่มใสยอยู่ในร่างกายอย่างไรก็ได้ จิตที่จำกัดอยู่ในสภาพร่างกายอย่างไรก็ได้คนแก่มีสิตจำกัดไหมเนี่ยคนแก่มันจะแข็งแรงนี่มันเป็นไปได้ไหมเนี่ยเป็นได้ไม่ได้หรอกแต่จิตสามารถจำกัดได้คนป่วยที่เป็นโรคมะเร็งอะระยะที่สี่อะร่างกายมันมันหัวกะดามแล้วตายยังไงเนี่ยแต่จิตเนี่ ย, ยสามารถจำกัดได้ไหม จิตมใส่ได้จิตมันมีสิทได้นะเพราะฉะนั้นจิตที่จัดใส่อยู่ในร่างกายประเภทไหนก็ได้นีผมเคยเห็นคนบ้านะคนบ้าโรคประสาทเดินเราก็พิการอยู่แล้วก็นั่งง่อยดูอยากเป็นคนบ้าอยเลยมันจะได้เรียนเรื่องราวต่างๆเราลอดไปเลยนะบางทีคนบ้ามันก็ยิ้มน่ะยิ้มบางทีมันเต้นเต้นทำโทรศัพท์ขับรถยิงปืนโอ้โห มันมีความสุขในท่ามกลางร่างกายที่ที่มันสุดโฉเหมือนนะั้นน่ะมันมีความสุขคนบ้าจีบกับคนบ้าแต่เขายิ้มก็มีความสุขไอเราไอเร า, า ก, กา็มีกาอะ่างคนนี้แต่ใจเรามันเศร้าหมองโอ้อิจฉาคนบ้าเนี่ยาจะบ้าอย่างเขาอิจฉาคนบ้าเนี่ยแต่เรา บ, บ้านหนักกว่าเขาอีกเราก็ไม่ได้ปฏิวใหม่เราสามารถฟื้นฟูจิตเนี่ย ให้สดสนะใสได้แตถ้าทําการร่างกายที่พิการจะทํายังไง <m> ก็ใสป่ปฏิบัติทำเนี่ยจิตสติเนี่ยไม่มีอะไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตได้แข็งแรงดีเท่ากับการจริตสตินะนี่ว่านี่พิสูจน์ได้เลยนะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวพิสูจน์เรานะ้เพราะฉะนั้นจิตที่จังใสยในร่างกายประเภไหนก็ได้เวเพราะนั้นทุกท่านเนี่ย เวลาที่เราเกิดปัญหาเกิดอะไรต่งตางๆเนี่ยเราต้องรู้จักใช้วิธีคิดที่ถูกต้องในทุกมีสุขถ้าคิดดีมันจะออกจากความทุกข์ได้จากความคิดที่เป็นสุขได้ในมืดมีสว่างในวิกฤตก็มีโอกาสวิกฤตชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรู้จักวิธีคิดเนี่ยมันเกิดโอกาส อย่าไปรอโอกาสต้องช่วยโอกาสตั้งแต่ตอนนี้เลยตอนนี้เราก็วิกฤตทุกคนแล้วไอทีวิกฤตเนี่ยอย่ามองข้างนอกความแก่มันก็เป็นความวิกฤตของชีวิตความป่วยไข้ความพัดเพล่าและต่อไปก็จะมีความตายเป็นวิกฤตขั้นสุดท้ายเราต้องช่วยโอกาส อย่าไปรอวิกฤตตอนนั้นืางทีมันจะหมดโอกาสถ้าตอนนี้เฉยโอกาสมันได้โอกาสฝึกสติฝึกกิจฝึกใจของเราให้มันรู้ตัวนนคความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะความไม่มาทนการใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความรู้ตัวในชีวิตจาวันนี่แหละทำอะไรก็รู้ตัวในปัจจุบั น, นถ้าเรามองในสวายที่เป็นลบและเปลี่ยนมในฝายที่เป็นบวกบ้าง ชีวิตเราเนี่ยมันมีลบกับบวกไม่ใช่ลบอย่างเดียวในโลกนี้เรามีสุขมีทุกเนี่ยมีดีมีชั่วมีเมื่อมีสว่างมีลบมีบวกถ้าเจอด้านลบอย่าลืมมองด้านบวกเราจะเกิดกําลังใจจะพบทางออกของชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่จุประกายที่จิตใจก่อนเนี่ยถ้าน่าจิตใจต้องรับไปก่อนถ้าใจดีแล้วเนี่ยการสภาพไหนมันก็ดีเนี่ยเนี่ยใช่หไหมเขาเรียกว่าอะไรกรอบีอยู่ที่ใจ ก็ บ, บีบอยู่ที่ใจก็ตรงนี้อยู่ที่ใจแล้เพราะฉะนั้นจิตสดใสแม้กายพิการเนี่ยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ถ้าเรารู้จักใช้วิธีคิดแล้ววิธีเป็นแบบให้ถูกต้องเนี่ยไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพใดก็าตามเนี่ยจิตมันก็สดใสได้เสมอแหละอย่างที่ในพุทธ ทภาศษีกายว่าจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยนำสุขมาให้นะนั่นบมาว่าการพูดในวันนี้นี่คงจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านเนี่ยเกิดกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตด้วยจิต ท, ที่สดใสแม้กายไม่พิการก็ได้นะก็สมควรแก่วเวลาเนาะ ก็ขอไว้พรอทุกท่านเนี่ยตัวมีความเจริญมีความผาสุกมีสติปัญญาพาจิตให้สดใสแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงจนทั้งหมดไปในที่สุดนะกบคุณครับ